วันนี้เป็นวันเสาร์ที่ห้ากรกฎาคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายรมผู้ปรารถนาความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรม มาศึกษามาปฏิบัติธรรมเพื่อนำไปสู่การสิ้นสุดของความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเราสถานที่นี้ก็จะมีการแสดงธรรมและมีการปฏิบัติธรรมแบ่งเป็นสองช่วงด้วยกันช่วง30นาทีแรกก็จะเป็นการแสดงธรรมส่วน ช่วงที่สองอีกสามสอีกิบนาทีก็เป็นช่วงปฏิบัติธรรมือเป็นการนั่งสมาธิทำใจให้สงบให้เกิดความสุขให้เกิดความสบายขึ้นมาในใจทมที่จะมาแสดงในวันนี้ก็คือเรื่องเวลาเวลานี้เป็นสิ่งที่ไหลไปไหลไป ผ่านไปผ่านไปเหมือนกับกระแสน้ำที่ไหลไปไม่ย้อนกลับมา เ, เวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทำอะไรกันอยู่เพราะเวลานี้เป็นเหมือนงูยักษ์ที่จะกินสรรพสิ่งสรรพสัตว์สรรพบุคคลทั้งหลายให้หายหมดไปจากโลกนี้ชีวิตของพวกเรา ในวันหนึ่งก็จะต้องสิ้นสุดลงดังนั้นสิ่งที่เราควรที่จะคอยสอนใจเตือนใจเพื่อความไม่ประมาทก็คือให้เราถามตัวเราเองอยู่เรื่อยๆว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทำอะไรกันอยู่เรากำลังทำประโยชน์ให้แก่จิตใจ หรือเรากำลังทำโทษให้กับจิตใจถ้าเราทำประโยชน์ให้กับจิตใจจิตใจของเราก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ถ้าเราทำโทษให้กับจิตใจจิตใจของเราก็จะต้องอยู่ในกองทุกข์ต่อไปเรื่อยๆเทพพิทธเจ้าเป็นผู้ทรงตัดสลู ทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงจึงได้นํามามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเราทั้งหลายที่ยังตกอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ให้เรานำมาไปปฏิบัติเพื่อกําจัดความทุกข์ต่างๆเพื่อกําจัดสาเหตุที่พาให้พวกเรา ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างไม่มีวันหยุดวันสิ้นธรรมที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเรากทำก็คือการทำทานการรักษาศีลการภาวนาที่จะทำให้จิตใจของพวกเราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงได้ ให้เราหยุดการหาความสุขทางโลกกันหรือทางโลกกระทำได้แก่ลาบยดสรรเสริญและความสุขจากรูปเสียง ก, ก, กลิ่นรสผลตภพคะชนิดต่างๆเพราะเป็นความสุขที่จะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปเนื่องจากว่าเป็นสิ่งไม่เที่ยง เป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถครอบครองเก็บเอาไว้เป็นของตนได้ตลอดไปได้มาแล้ววันใดวันหนึ่งก็ต้องมีการสูญเสียไปมีการหมดไปแล้วก็จะทำให้ต้องคอยไปหามาใหม่อยู่เ ร, ยเรื่อยเป็นเหมือนยาเสพติดความสุขทางโลกกระทําคือลาบยศสรรเสริญสุขนี้เป็นเหมือนความ เป็นเหมือนยาเสพติดเสพเท่าไรก็ไม่อิ่มไม่พอเสพแล้วก็อยากจะเสพอีกเวลาที่อยากจะเสพแล้วไม่ได้เสพก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาเวลาร่างกายตายไปความอยากจะเสพโลกธรรมทั้งสี่คือราภยศสรรเสริญสุขก็จะเป็นเหตุที่จะพาให ดวงวิญญาณต้องไปเกิดใหม่อีกรอบหนึ่งและก่อนที่จะไปเกิดใหม่ก็ต้องไปรับผลบุญเมื่อผลบาปอนขึ้นอยู่กับว่าเวลาอยู่เวลามีชีวิตอยู่ทำอะไรไว้บ้างทำบุญทำบาปอย่างไรจะมากกว่ากันถ้าทำบุญมากกว่าทำบาป ดวงวิญญาณก็จะได้ไปรับผลผลบุญในสวรรค์ชั้นต่างๆหกชั้นด้วยกันถ้าทำบาปมากกว่าทำบุญดวงวิญญาณก็ต้องไปรับผลบาปนายบายไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างไปเป็นเปรตบ้างไปเป็นอักสุรกายบ้างไปตกนรกบ้างจนกว่าบุญหรือบาปที่ได้ทำไว้นั้นหมดกําลังลง ก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ต้องกลับมาเจอกับความทุกข์ต่างๆเช่นความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความทุกข์ที่เกิดจากความเจ็บไข้ได้ป่วยความทุกข์ที่เกิดจากความตายความทุกข์ที่เกิดจากการพัดพากจากของลักของจเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงไปแล้วก็ พอตายไปก็ไปรับผลบุญผลบาปอีกแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดความทุกข์ที่ได้ได้จากการเวียนว่ายตายเกิดนี้ก็เป็นความทุกข์ที่มหาศาลท่านทรงให้เปรียบเทียบว่าเหมือนกับน้ําตาน้ําตาที่เราหลั่งในแต่ละพบแต่ลชาติ ถ้าเรามาสะสมเอามารวมกันแล้วน้ำตาของเรานี้จะมีมากยิ่งกว่าน้ำในมาหาสมุทรเพราะจำนวนของภพชาติของเรานี้มันมากมายกายกองนําไม่ท่วงและยังจะมีการเกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ถามตัวเองไม่เตื่นใจว่าวันเวลาผ่านไปเรากำลังทำอะไรกันอยู่ เรากาลังตัดภพตัดชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิดหรือเรากำลังต่อภพต่อชาติต่อการเวียนว่ายตายเกิดให้มีมากขึ้นไปถ้าเราทำตามความอยากที่จะหาความสุขในทางโลกคือหาความสุขทางลาบยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัพ ก็เท่ากับการต่อพบต่อชาติให้มีมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ เ, เพราะว่าความอยากที่จะได้ความสุขจากราบยศสรรเสริญสุขนี้มันเป็นความอยากที่ไม่มีขอบไม่มีเขตยิ่งยิ่งได้ยิ่งอยากจะได้ไปเรื่อยๆได้คือก็อยากจะได้ศอกได้สอบก็อยากจะได้วาบัรจทวีคุณ ขยายความอยากไปเรื่อยๆความอยากนี้ไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราทําตามความอยากแล้วความอยากนี้แหละเป็นผู้ที่จะพาให้ดวงวิญญาณของเราไปเกิดอยู่เรื่อยๆนั่นเองดังนั้นเราต้องมาหยุดความอยากกันฝืนความอยากกันด้วยการทําตามที่พระเจ้าได้ทรงกระทําและนํามามาสั่งสอนพวกเราให้กระทําตามกัน ก็คือให้เราสกัดความอยากด้วยการทำบุญทาทานสกัดความอยากด้วยการรักษาศีลสกัดความอยากด้วยการภาวนาปฏิบัติธรรมเป็นวิธีเดียวเท่านั้นที่จะนำพาจิตใจของพวกเราให้หลุดออกจากกองทุบแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ไม่มีวิธีใดในโลกนี้ที่จะสามารถที่จะ ทำให้จิตใจหลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้หลุดออกจากกองทุกข์ทั้งปวงได้ต้องวิธีที่พระเจ้าได้ทรงตัดชลไดไดุได้ส่งบําเพ็ญได้ทรงปฏิบัติได้ทรงบรรลุ ถ, ถึงแล้วก็นํามามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับสัตว์โลกอย่างพวกเราที่มีความปรารถนาที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้นํามาไปปฏิบัติ และจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างแน่นอนการที่เราจะตัดความอยากนี้ก็มีอยู่สามระดับด้วยกันอันดับแรกก็ตัดความอยากที่จะใช้เงินทองไปหาความสุขทางโลกเพราะว่าความสุขทางโลกนี้เป็นเหมือนยาเสพติดการที่เราหาเงินทองมานี้เป้าหมายที่ถูกต้องก็คือ หาเงินทองเพื่อมาเลี้ยงชีพหาปัจจัยสี่มาให้กับร่างกายคือถ้าเรามีเงินทองเราก็จะได้มีเงินไปซื้ออาหารมารับประทาน <c oughs> ซื้อเครื่องนุ่งหม่มมาสวมใสซื้อที่อยู่อาศัยมามามาอยู่หับนอนแล้วก็ซื้ อ, อยารักษาโรคเพื่อรักษาพยาบาลร่างกายเวลาที่มันเจ็บไข้ได้ป่วยเพที่ร่างกายจะได้ ไม่ต้องถึงแก่ความตายไปก่อนเวลาอันควรนี่คือเป้าหมายของการทำมาหาเงินหาทองหาเงินเพื่อมาเลี้ยงชีพเลี้ยงร่างกายเท<ม>่านั้นเองไม่ได้ให้หาเงินมาหามาซื้อความสุขมาซื้อความสุขทางโลกกระทำซื้อความสุขจากการได้ไปเสพสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัชชนิดต่าง เพราะว่าความสุขทางโลกกระทำนี้เป็นเหมือนยาเสพติดเสพเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอเวลาอยากจะเสพแล้วไม่ได้เสพก็จะทำให้จิตใจทุกข์ทรมานใจนี่คือเป้าหมายของการทำทานเพื่อสกัดความอยากหาความสุขทางโลกกระทำเพราะว่ามันไม่ได้เป็นความสุขมันจะกลายเป็นความทุกข์ เป็นความสุขชั่วคราวความสุขที่ได้ในขณะที่ได้เสพได้สัมผัสแต่พอพระเวลาผ่านไปมันก็จางหายไปแล้วมันก็จะสร้างความหิวสร้างความอยากให้กับใจอยู่เรื่อยให้คอยไปหาสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้มาเสพดังนั้นเราต้องส ก, กัดความอยากเหล่านี้ทุกครั้งที่เราอยากจะไป หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นลดไม่ว่าจะไปเที่ยวก็ดีไม่ว่าจะไปซื้อของฟุ่มเฟือยก็ดีซื้อของหรูหราก็ดีหรือไปดูดูพวกมหะรสศพบันเทิงการสแสดงต่างๆก็ดีไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นลดโผฏฐพะให้เราเอาเงินทองที่จะใช้กับกิจกรรมเหล่านี้ เอาไปให้กับการทำบุญทำทานดีกว่าพอเราอยากจะเที่ยวอยากจะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นนั้นเราก็ต้องบอกตัวเราเองว่าเรากาลังไปอยากยาเสพติดนะเสพแล้วมันติดแล้วเวลาไม่ได้เสพมันจะทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ไม่อยากจะเป็นคนที่ติดยาเสพติดเราก็ต้องอยาเสพเอาเงินที่เรา จะเอาไปซื้อยาเสพติดนี้ไปทําบุญทําทานซึ่งเป็นเหมือนกับการซื้ออาหารให้กับใจ mm hmm. การทําบุญทําทานนี้เป็นการซื้ออาหารให้กับใจซื้อสเสบียงให้กับใจเวลาทําบุญทําทานแล้วใจจะมีความสุขจะมีความสงบและความสุขที่เกิดจากการทําบุญทําทานนี้ก็จะไม่จางหายไปเหมือนกับ ความสุขที่ได้จากการไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆความสุขที่ได้จากการทำบุญนี้มันจะสะสมอยู่ในใจทำให้ใจของเรานี้มีความสุขเพิ่มมากขึินไปเรื่อยๆแล้วก็จะช่วยทำให้ความอยากที่จะหาความสุขจากยาเสพติดหรือยาความอยากที่จะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดทัพะชนิดต่างๆนี้เบาบางลงไป แล้วในที่สุดก็จะสามารถทําให้มันหมดไปได้ในระดับของการใช้เงินใช้ทองอยากจะใช้เงินใช้ทองก็ไม่ให้เอาไปใช้กับการเสบรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆต่อไปใจก็จะไม่มีความคิดอยากที่จะไปเที่ยวไปกินไปดืม่มไปดูไปฟังอะไรทุกครั้งที่อยากจะมีความสุขก็เอาเงินไปทําบุญทําทานดีกว่า แล้วบุญนี้จะทำให้ใจเรามีความสุขเพิ่มขึ้นในใจไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เราคิดถึงบุญที่เราได้เคยกระทำมาไว้ทีไยความสุขนั้นก็จะโผล่ขึ้นมาให้เราได้เสพได้สัมผัส ท, ทันทีแล้วบุญนี้แหละที่จะส่งผลตอนที่ร่า ง, งกายของเราตายไปแล้วเวลาร่างกายของเราตายไปแล้วถ้าเราได้ทำบุญมากกว่าเราได้ทำบา บุนี่แหละจะเป็นผู้ที่จะส่งให้เราไปอยู่ในสวรรค์ชั้นต่างๆมีถึงหกชั้นด้วยกันขึ้นอยู่ว่าเราทำทบุญมากทำบุญน้อยทำบุญน้อยก็อยู่ในชั้นต่ำทำบุญมากก็จะได้อยู่ในชั้นสูงชั้นต่ำก็ได้ก็มีความสุขน้อยกว่าชั้นสูงท่านถึงแ บ, บ่งไว้เป็นหกชั้นด้วยกัน <c oughs> ต, าตามตามจำนวนเงินทองการเสียสละของเรา ว่าเราเสียสละให้กับการทำบุญทำทานมากน้อยเพียงไรถ้าเราเสียสละมากเราก็จะได้ความสุขมากได้บุญมากล้าตายไปเราก็จะได้ไปเกิดอยู่บนสวรรค์ชั้นสูงอยู่อย่างมีความสุขไปจนกว่าบุญนั้นจะหมดเราถึงจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ในเวลาที่เราได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ เราก็จะเกิดเป็นมนุษย์ที่มีความมั่งคัง่งมีทรัพย์สมบัติเก้าของเงินทองรอรอเราอยู่อย่างเช่นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะสมัยที่เป็นพระเวชสันดรเขาก็ทําบุญทำทานอย่างเต็มที่พอตายไปดวงวิญญาณของท่านก็ไปเกิดในสวรรค์แล้วพอรังกลับมาเกิดใหม่ก็กลับมาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะ เป็นพระราชกุมารเป็นลูกของกษัตริย์อันนี้เป็นอ น, นิสงค์ของการทําบุญทําทานของท่านในสมัยที่เป็นพระเวชสันดน<ม>รพอเกับมาเกิดก็เป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะมีทรัพย์สมบัติเก้าของรองรับอยู่โดยที่ไม่ต้องไปหามามาเกิดเป็นพระลูกของพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินก็มีทรัพย์สมบัติคอยรองรับ สร้างภาษาทตามฤดูให้อยู่ให้มีให้มีผู้รับใช้บริษัทบริวารคอยตอบสนองความสุขในทุกลูปแบบให้กับเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะนี่คืออานิสงส์ของบุญที่ได้ทำเอาไว้คนเราในโลกนี้ที่เกิดมานี่เกิดมาไม่เท่ากันเนี่ยบางคนก็เกิดมารวยบางคนก็เกิดมาจน มันคนก็เกิดมาแบบไม่จนไม่รวยปานกลางอันนี้ส่วนหนึ่งก็เกิดจากการทำบุญของเรานี่เองถ้าเราทำบุญมากเราก็จะได้มาเกิดร่ำรวยมากถ้าเราทำบุญน้อยเราก็จะมาเกิดร่ารวยน้อยหรือไม่รวยเลยอาจจะพออยู่พอกินไม่ทุกข์ยากเดือดร้อนนี่แหละคือบุญแทดีก่าที่เราจะไป ไปเสบรูปเสียงกลิ่นรสใช้เงินไปเสบรูปเสียงกลิ่นรสที่จะทําให้ใจเราหิวโหยและอาจจะทําให้เราต้องไปทําบาปเวลาเงินทองที่เราใช้กับการเสพรูปเสียงกลิ่นรสนี้มันหมดไปไม่พอใช้เราก็อาจจะต้องไปทําบาปด้วยการโกหกหลอกลวงบ้างด้วยการชอโกงบ้วบ้างหรือด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตบ้างก็ได้หรือการประพฤติผิด ในกามถ้าเราไปทำบาปอย่างนี้อยู่เรื่อยๆแล้วไม่ได้ทำบุญเวลาร่างกายตายไปบาปที่มีอยู่ในใจของเราก็จะมีมากกว่าบุญที่เราได้ทำเอาไว้บาปที่ทำด้วยความโลภอยากจะได้เงินทองง่ายมามากๆม า, ๆมาแบบง่ายๆนี้ก็จะทำให้ดวงวิญญาณของเราเป็นเปรตที่มีแต่ความหิวโหยมีแต่ความอยาก อยากหาความสุขจากสิ่งต่างๆแต่ไม่สามารถหาได้เพราะตอนที่ไม่มีร่างกายนี้ดวงวิญญาณไม่สามารถไปหาปรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆไปเสพได้<ม>ก็จะอยู่แบบหิวโหวยแล้วก็ต้องมาคอยขอรับส่วนบุญจากญาติสนิทมิตรสหายใ ห, ให้ช่วยส่งบุญไปให้ด้วย<ม>นี่คือเ ป, เป็นประโยชน์แลอโทษ ของการใช้เงินใช้ทองที่ไม่ถูกวิธีถ้าเราใช้เงินใช้ทองไปกับการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสอืเรื่อยๆใช้กับการเสพความสุขกับของที่ไม่จําเป็นกับของฟุ่มเฟือยกับของหรูหรา <ừ. S 1> เงินทองของเรานี้ก็จะมีโอกาสที่จะหมดได้อย่างง่ายดายแล้วเราก็ต้องใช้การโกหกหลอกลวงเพื่อที่จะได้หาเงินหาทองมาคอยรับใช้ ตอบถนองตันหาความอยากของเราอยู่เรื่อยๆเราคง mm. ได้ยินข่าว้าวอยู่เรื่อยๆคนที่ ช, บชบอบชอบชอบหลอกลวงทำตัวเองเป็นคนไฮโซเป็นคนมีทรัพย์สินมีเงินทองแต่แท้จริงแล้วไม่มีเลยเพราะเงินทองที่มีนี้เอาไปใช้หมดแล้วความอยากที่ยังจะอยู่แบบไฮโซอยากจะมีมีเงินทองอยู่ก็เลยต้องไปหลอกชาวบ้าน ไปกู้หนี้ยืมสิน ต, ต่างๆไปหลอกลวงหรือไปทำอาชีพที่ไม่สุจริต <Yeah. S 1> เพื่อที่จะได้ <Yeah. S 1> อ, อยู่แบบไฮโซไปเรื่อยๆ <Yeah. S 1> แต่วันหนึ่งก็ต้องเกิดผลปรากฏขึ้นมาพอตำรวจเข้ามาจับก็ถึงจะรู้ว่าคนนี้เป็นคนโกหกหลอกลวง <Yeah. S 1> นี่เพราะว่าเขาไม่ทำบุญทำทาน เขาเอาเงินทองที่เขาหามาได้นี่ไปตอบสนองตันหาความอยากยิ่งตอบสนองยิ่งต้องใช้มากใหญ่เพราะความอยากมันไม่หดมันไม่หายมันจะขยายตัวมากขึ้นโดยใช้วันละร้อยพอให้มันวันละร้อยตอบไปมันก็อยากจะใช้วันละพันขึ้นมาพอได้ใช้วันละพันมันก็อยากจะใช้วันละหมื่นใช้ไปเรื่อยๆใช้จนกระทั่งไม่มีเงินทอง ที่ยามาใช้ก็ต้องหาวิธีโกหกหลอกลงช่อโกงทำอาชีพไม่สุจริต <c oughs> และในที่สุดก็ต้องถูกถูกความจริงปรากฏขึ้นมาเ <c oughs> อจ้าหน้าที่ตํารวจก็ต้องมาจับตัวไปลงโทษนี่เป็นเพราะว่าไม่รู้จักใช้เงินทองให้ถูกวิธี <c oughs> การใช้เงินทองให้ถูกวิธีนี้มีอยู่สอง สองวิธีด้วยกันวิธีแรกก็คือเอามาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องมีเงินมีทองนี้เราก็ต้องเอามาซื้ออาหารซื้อเสื้อผ้าซื้อที่อยู่อาศัยซื้ อ, อยารักษาโรคจ่ายค่าใช้ใจ่ายต่างๆเกี่ยวกับการการเลี้ยงดูร่างกายของเราแล้วถ้ายังมีเหลืออยู่ก็อย่าเอาไปอย่าไปใช้กับความโลภความอยากอย่าไปซื้อความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ อย่าไปซื้อของสวยของงามอย่าไปอยู่แบบไฮโซอยู่แบบคนยากจนดีกว่อยู่แบบคนจนที่ไม่มีใครรู้แล mm ้ว hmm. ไม่เราไม่ต้องคอยมาคอยหลอกคนว่าเราล่ำเรารวย mm hmm. เราใช้ของแพงๆ mm hmm. เพราะถ้าเราไปหลอก mm hmm. ลวงเดี๋ยวเงินทองที่เรามีอยู่ mm hmm. ก็ไม่พอใช้แล้วมันจะทาให้เราต้องไปทาอาชีพที่ไม่ดี mm hmm. ไปทำบาปต่างๆได้ mm hmm. ถ้ามีเงินทองเดี๋ยวใช้ ถ้าอยากจะมีความสุขจากเงินทองที่มีเหลือใช้อยู่นี้ก็เอาไปทำบุญทำทานแทนเราก็จะได้ความสุขจากการทำบุญที่เป็นความสุขที่ที่ยั่งยืนถาวรที่อยู่กับใจเราไปเรื่อยๆไม่ได้หายไปเหมือนกับการความสุขที่ได้จากการไปกินไ ป, ไปดื่มไปดูไปฟังไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆหรือการไปซื้อของหรูหราของแพงๆต่างๆ ความสุขที่ได้จากสิ่งเหล่านี้มันแค่ชั่วขณะที่เราได้ได้เสพได้สัมผัสมันเฉะนั้นพอมันผ่านไปความสุขเหล่านี้ก็หายไปปล่อยให้เหลือแต่ความอ้างวาง้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายความหิวความอยากที่จะต้องคอยหาความสุขเหล่านี้มาเสพอยู่เรื่อยๆ เ, เป็นเหมือนยาเสพติดเสพเท่าไหร่ก็ไม่อิ่นไม่พอ<ม>เราต้องสกัดการใช้เงินทางแบบนี้ถ้าเรา ถ้าเราไม่อยากที่จะต้องอาจจะต้องไปเกิดนาบายหลังจากที่ร่างกายเราตายไปแล้วไปเป็นเปรตเป็นต้นถ้าเราอยากจะไปสวรรค์ไปไปสวรรค์เราก็เอาเงินมาทำบุญทาทานเงินที่เหลือใช้จากการเหลือเหลือกินเหลือใช้เบื้องต้นนี้เอาเงินมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเราก่อนอยาเอาเงินไปทาบุญหมดแล้วก็อดยากขาดแคนต้องไปขอยืมเงินคนนั้นคนนี้มาซื้ออาหารกิน อย่างนี้ไม่ถูกเราต้องมีเงินไว้สำหรับเลี้ยงดูร่างกายคือมีปัจจัยสีพอเพียงก่อนแล้วถ้าเรายังมีเงินเหลืออยู่แล้วเราอยากจะมีความสุขเราก็เอาเงินมาทำบุญทำบุญแล้วใจเราก็จะมีความสุขในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เวลาตายไปดวงวิญญาณของเราก็จะได้ไปอยู่ในสวรรค์และเวลาที่เรากลับมาเกิดใหม่เราก็จะได้มาเกิด มัง่งคั่งมีเงินมีทองรองลองรับเราอยู่ก็อยู่กับว่าเราทำมากทำน้อยถ้าทำมากก็จะรวยมากทำน้อยก็จะรวยน้อยเป็นต้นนี่คือการสกัดความอยากด้วยการการทำบุญทำทานส่วนศีลก็คือการรักษาการป้องกันไม่ให้ใจทำบาปไปสกัดกั้นความอยากที่ทำบาป เลาลเราอยากจะทำบาไม่ว่าด้วยสาเหตุอันใด้วยความโลภ ก, ก็ดีด้วยความโกรธก็ดีด้วยความหลงก็ดีถ้าเรารักษาศีลห้าสมาทานศีลห้าเราก็จะสกัดกั้นความอยากได้อยากจะไปโกหกหลอกลวงก็ทำไม่ได้ถ้าเราถือศีลอยากจะไปช่อโกงไปลักขโมยทรัพย์สินของผู้อื่นก็ทำไม่ได้อยากจะไปพระพฤติผิดในการก็ทำไม่ได้อยากจะไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเราก็จะทาไม่ได้ เราก็จะป้องกันใจของเรานี้ไม่ให้ทุกข์ร้อนเวลาที่มีชีวิตอยู่เพราะเวลาเราทำบาปนี้ใจของเราจะทุกข์จะร้อนจะเดือดร้อนจะหวาดภาวะกลัวจะต้องมีวิบากกรรมตามมานั่นเองกลัวจะถูกคู่ที่เราไปทําร้ายไปโกหกเรารลวงเขามาทําร้ายเราถ้าเราไม่ทําบาปนี่เราก็จะไม่ต้องไปรับผลของการกระทําบาปไม่มีความทุกข์ แล้วเวลาตายไปเราก็ไม่ต้องไปรับผลในอบายไม่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ต้องไปเป็นเปรตเป็นองสุรรกายไม่ต้องไปนรกถ้าเรารักษาศีลห้าได้แล้วพอเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เราก็จะเกิดแบบไม่ต้องไปไม่มีไม่ต้องไม่ต้องมีเรื่องของอาภัพวาสนา ถ้าเราทำบาปเวลาเรากลับมาเกิดใหม่นี้เราจะเกิดมาแบบอาภัพวาสนาคืออาจจะเกิดมามีรูปร่างหน้าตาไม่สวยงามเกิดมายากจน<ม>เกิดมามี โ, โครคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเกิดมาแล้วมีอาการไม่ครบสามสิบสองเป็นต้นแต่ถ้าเราไม่ทำบาปสิ่งเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้นเราก็จะเกิดกลับ ม, มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นคนธรรมดาธรรมดาที่ไม่รวยไม่จน เป็นกลางๆนี่คืออนิสงค์ของการสกัดกั้นความอยากด้วยการรักษาศีลแล้วความอยากที่หลงเหลืออยู่ที่การทําทานการรักษาศีลไม่ได้สกัดไม่สามารถยับยั้งได้ก็ต้องอาศัยการภาวนาการภาวนา น, นี้ก็คือการทําใจให้นิ่งให้สงบแล้วก็สอนใจให้ฉลาดด้วยปัญญาให้เบื้องต้นก็ทําใจให้นิ่งให้สงบ เวลาใจนิ่งสงบแล้วความอยากก็ไม่สามารถทำงานได้อยากจะทำอะไรที่ไม่ผิดศีลผิดธรรมที่ไม่ได้ไปเสพเรูปเสียงกลิ่นรสก็ตามแต่มันก็ยังมีเรื่องอย่างนุ้นอย่างนี้ที่อยากจะทำอยู่แต่พอเรานั่งสมาธิปั๊บใจเรานิ่งใจเราสงบเราก็ไม่ต้องเราก็ไม่ต้องไปทาอะไรความอยากหยุดไปเช ว, ว่อกาว แต่เราก็นิ่งสงบมีความสุขขึ้นมาทันทีอันนี้แหละเป็นความสงบความสุขที่ยั่งยืนถาวรที่จะให้ความสุขเราอย่างเต็มที่เป็นการทำลายเป็นการหยุดความอยากที่ตัวมาสร้างความทุกข์สร้างภพชาติให้กับเราแต่ความสงบแบบสมาธินี้ยังเป็นความสงบแบบชั่วคราวอยู่พอออกจากสมาธิมาความอยากต่างๆก็ยังโผล่ขึ้นมาได้ ถ้าอยากให้ความอยากนี้หายไปตอนที่เราออกจากสมาธิมาแล้วเราก็ต้องใช้ปัญญาเจริญวิปัสนาพิจารณาทุก ส, สิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้ว่ามันเป็นทุกข์อยากได้ลาบยศสนเสริญอยากได้รูปเสียงกลิ่นดนนี้มันเป็นทุกข์อยากมีอยากเป็นก็เป็นทุกข์อยากอะไรทั้งนั้นมันเป็นทุกข์ทั้งหมดเพราะว่ามันเป็นของชั่วคราวเป็นของไม่เที่ยมมันอาจจะให้ความสุขเราในเบื้องต้นแต่ต่อไปมันก็จะกลายเป็น กลายเป็นสิ่งที่เปลี่ยนไปจากดีก็กลายเป็นของไม่ดีไปหรือจากเราไปมันก็จะทำให้เราเศร้าโศกเสียใจเวลาที่เราจะต้องสูญเสียสิ่งต่างๆไปพิจารณาว่าไม่มีอะไรในนอกนี้ที่เราจะสามารถครอบครองเก็บไว้ให้อยู่กับเราไปได้ตลอดแม้แต่ร่างกายของเรามันก็ไม่สามารถอยู่กับร่างกายของเราไปได้ตลอดร่างกายของเราเราก็ต้องสละเราก็ต้องตัดอย่าไปอยากให้มันอยู่กับเราไปตลอด เพามันเป็นไปไม่ได้มันกเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพิจารณาให้เห็นร่างกายก็เป็นอนิจจังทุกขังอ น, นัตตาความรู้สึกนึกคิดก็เป็นอนิจจังทุกขงัขกของอนัตตาอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปอยากให้มันอยู่กับเราให้ความสุ ข, ๆๆสขกับเราเพียงอย่างเดียวซึ่งมันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้มันเป็นของที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสลับกันไปสุขบ้างทุกบ้างไปตลอดนะถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ถ้าเราไม่อยากจะไปยึดไปติดมัน เราก็ต้องตัดความอยากต่างๆในใจเราให้หมดสิ้นไปอพอเราตัดความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปได้ด้วยปัญญาแล้วใจของเราก็จะไม่มีอะไรมาสร้างความทุกข์ให้กับใจอีกต่อไปแล้วไม่มีอะไรที่จะมาดึงให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปอนี่แหละคือวิธีการของพระพุทธเจ้าที่ได้ส่งบัมเพลมาทรงปริมัติม า, มมาทำทานธละทะ ทำบุญทำทานสละราชสมบัติออกบวชรักษาศีลเพื่อเพื่อรักษาศีลเมื่อรักษาศีลแล้วก็มีเวลาไปภาวนาไปเจริญสมถะภาวนาเข้าสมาธิพอได้สมาธิแล้วก็ออกจากสมาธิมาใช้ปัญญาวิเคราะห์หาสาเหตุว่าทำยังไงเราถึงความอยากยังมีอยู่เรื่อยๆเพราะว่ายังไม่เห็นความทุกข์ในสิ่งต่างๆที่อยากได้นั่นเองพอพิจารณาว่าเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากได้ล้วนเป็นความทุกข์เพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยง เป็นของชั่วคราวเป็นของที่เราไม่สามารถเก็บเอาไว้เป็นของเราไปได้ตลอดเอาเห็นตายรักเห็นอังรในจังทุกขานาตาในสิ่งที่อยากได้ปั๊บความอยากก็จะหายไปทันทีนี่แหละคือการวิธีการของการปฏิบัติเพื่อให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเราจะปฏิบัติได้เราก็ต้องมีสิ่งเตือนใจเราอยู่เรื่อยๆก็คือเราต้องหมั่นทั ถามตัวเราเองเตือนตัวเราเองอยู่เรื่อยว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทำอะไรกันอยู่เรากำลังต่อพบต่อชาติหรือว่าเรากำลังตัดพบตัดชาติถ้าเราไปหาความสุขจากสิ่ ง, งต่างๆที่มีในโลกนี้หาความสุขจากลาบยศฉลสรินจากรูปเสียงกลิ่นรสนี้ก็เรียกว่าเรากำลังต่อพบต่อชาติให้มีมากขึ้นไปเรื่ อ, อ, อยแต่ถ้าเราไปปฏิบัติทาบุญทำทานรักษ า, าศี่งไปภาวนา นี่เรากําลังตัดทบตัดชาติให้มันหมดสิ้นไปจากใจถ้าเรามีคําถามเหล่านี้คอยเตือนใจอยู่เราอยู่เรื่อยๆพอเราจะไปหาความสุขทางโลกเราก็จะได้หยุดมันได้พอเรายังไม่ได้ไปทําบุญทําทานไปรักษาศีลไปภาวนาเราก็จะได้สั่งให้เราไปทําบุญทําทานไปรักษาศีลภาวนากันเถ้าเราคอยเตือนใจให้ทําบุญทําทานรักษาศีลภาวนาอยู่เรื่อย เราก็จะสามารถดูดพ้นจากความทุกข์ได้ก่อนที่ชีวิตของเราจะสิ้นสุดลงเพราะวันเวลามันจะคอยขับเบิกชีวิตของเราไปเทีอเล็กเทีอน้อยถ้าเราไม่รีบทาบุญทาทานรักษาศีลภาวนาเวลามันอาจจะหมดไปก่อนก็ได้นี่แหละคือเรื่องเวลาที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาป่าไปนี้ก็จะมานั่งสมาธิกันทาใจให้สงบให้เกิดความสุขขึ้นมา เพื่อสกัดกั้นเพื่อหยุดความอยากไว้ชั่วคราวก่อนแล้วใจของเราจะได้มีความสุขจากการทำใจให้นิ่งให้สงบให้ ป, าปราศจากความอยากแล้วเราจะเห็นคเห็นประโยชน์ของความสงบเห็นเห็นโทษของความอยากเห็นคุณของการไม่มีความอยากแล้วมันก็จะทำให้เรามีกำลังใจที่จะต่อสู้กับความอยากตัดความอยากต่างๆให้ม่หมดสิ้นไปจากใจต่อไป เวลานั่งสมาธิจึงจําเป็นจะต้องมีสติคอยกํากับใจให้ใจนี้ตั้งมั่นไม่ให้ลอยไปลอยมากับความคิดใจจะลอยใจจะตั้งมั่นได้ใจต้องมีหลักวิหลักยึดหลักยึดของใจก็คือกรรมฐานคืออารมณ์ต่างๆที่เราเอามาใช้ในการยึดเหนี่ยวจิตใจเพื่อให้จิตใจนิ่งสงบไม่ให้ลอยไปกับความคิดกรรมฐานที่เราใช้กัน การทั่วไปก็คือการเจริญพุทธานุสติก็คือการระลึกถึงพระพุทธเจ้าโดยคําบริกรรมพุทธโธพุทธโธพุทธโธไปถ้าเรานั่งสมาธิเราต้องมีอะไรยึดใจถ้าเราไม่รู้จะใช้อะไรก็ใช้พุทธโธก่อนก็ได้นั่งหลับตาแล้วก็ดูแล้วแล้วก็ท่องพุทธโธพุทธโธพุทธโธไปช้าบ้างเร็วบ้างก็ได้หยุดบ้างก็ได้ถ้าถ้ารู้สึกว่ามันเหนื่อยก็หยุดบ้าง ถ้าไม่เหนื่อยก็พุโทโธพุโทโธไปจนกว่าเราจะสามารถทําใจให้นิ่งให้ให้สงบได้ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆถ้ายังอยู่กับพุโทโธไม่ได้ก็มาสวดมนต์ก่อนก็ได้ใช้บทสวดมนต์แทนสวดบทอิติปิโสไปก็ได้สวดบทแผ่เมตตาไปก็ได้สวนบทที่เราท่องจําได้บทสั้นบทยาวก็ได้ถ้าบทสั้นเราก็สวดไปเรื่อยๆหลายๆรอบบทยาวเราก็อาจจะสวดไม่ต้องสวดหลายรอบ ส่วนไปจากการ่้างรู้สึกว่าใจนิ่งใจสบายก็เรามาดูลมหายใจต่อมาดูลมหายใจที่ปลายจมูกลมเข้าก็รู้ที่ปลายจมูกลมออกก็รู้ที่ปลายจมูกไม่ต้องตามลมเข้าลมออกลมสั้นก็รู้ว่าสั้นลมยาวก็รู้ว่ายาวลมหยาบก็รู้ว่าหยาบลมละเอียดก็รู้ว่าละเอียดลมหายไปก็รู้ว่าหายไปไม่ต้องตื่นเต้นตกใจถ้ามีสติรู้อยู่นี้ รับประการได้ว่ายังไม่ตายอย่างแน่นอนเพราะยังมีลมอยู่เพียงแต่ว่ามันละเอียดจะไม่สามารถรับรู้ได้เท่านั้นเองให้รู้ก็รู้อยู่ที่จุดเดินวรู้อยู่ที่ปลายจมกูกแล้วเดี๋ยวจิตก็จะนิ่งสงบเป็นสมาธิขึ้นมาต่อไปนะเวลานั่งแล้วมีอะไรปรากฏขึ้นมาก็อย่าไปสนใจมีเสียงเข้ามาก็อย่าไปรับรู้อย่าไปสนใจให้อยู่กับพุโทโธห้อยู่กับกรรมฐานที่เราใช้อยู่ถ้าเราสวดมนก็อยู่กับสวดมน ถ้าเราพุโทโธก็อยู่กับพุโทโธถ้าเราดูลมก็อยู่กับการดูลมอย่าไปสนใจกับอะไรที่มาปรากฏให้เรารับรู้ร่างกายจะเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้จะคันตรงนั้นก็อย่าไปสนใจให้กลับมาที่กรรมฐานทันทีแล้วใจก็จะนิ่งใจก็จะสงบได้ถ้าแต่แกรรมฐานนี้ก็มีหลายวิธีด้วยกัน ถ้ากรรมาฐานที่ยกตัวอย่างมานี้ไม่ได้เป็นวิธีที่ถูกกับถูกกับท่านก็ใช้อย่างอื่นก็ได้ของท่านอาจจะใช้ยุบหนอฟองหนอก็ได้ของท่านจะใช้สัมมาอราหังก็ได้ของท่านจะใช้ลูกแก้วก็ได้จะเพ่งโครงกระดูกก็ได้แล้วแต่แล้วแต่จริตแล้วแต่ความพอใจเคยใช้แบบไหนแล้วได้ผลก็ใช้แบบนั้นไปแทนก็ได้ที่พูดมานี้เป็นยกตัวอย่างเท่านั้นเอง เพราะกรรมฐานนี้มีอยู่ถึงสี่สิบชนิดด้วยกันสามารถเอามาใช้เพื่อกล่อมใจผูกใจไม่ให้ลอยไปกับความคิดดึงใจให้เข้าสู่ความสงบได้แล้วต่อไปนี้เราก็จะมานั่งสมาธิไปจนกว่าจะหมดเวลาตอนนี้เวลานั่งสมาธิก็หมดลงแล้วก่อนที่จะเลิกนั่ง ให้สังเกตดูว่าวันนี้เรานั่งแล้วสงบไหมสงบดีไม่ดีถ้าสงบดีก็สังเกตดูวิธีนั่งของเราในวันนี้แล้วจำเอาไว้คราวหน้าเวลาเรามานั่งเราก็ใช้วิธีนี้ต่อไปได้เลยอย่าไปนั่งแล้วอยากให้มันสงบเพราะความสงบไม่เกิดจากความอยากแต่เกิดจากวิธีนั่งที่ถูกต้องถ้านั่งแล้วยังไม่สงบก็แสดงว่าสติเรายังมีน้อย พยายามฝึกสติจเจริญสติในระหว่างวันให้มากก่อนที่จะมานั่งจเจริญได้ทั้งวันได้ยิ่งดีพุโทโธพุโทโธไปในใจอเรื่อยๆหรือสวดมนต์ไปภายในใจอเรื่อยๆ mm hmm. แลวลาเวลานั่งสมาธิก็จะมีสติมากจะทำให้ใจนิ่งสงบได้ง่ายได้เร็วแล้วต่อไป น, นี้จะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาคหลังเอวเมวะอิโตทิน e ังเปตานังอุปการปติอิชิตังปะิตังต um ุมหังคิปเมวาสมิจโตสภะปุเรนตูสังกปายันโทปนาละโสยะถามณีโชติ ระโสยะาสภีติโยวิวัจฉันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรารโยสุขีทีคาโยโกภวะอภิวาธนศีลิสะนิจจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมวัฏหันเตอายุวันโอสุขัง ฮาลโหล<า>ช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามตอบคำถามคงจะถามยากเพราะเสียงไม่ค่อยดังแล่งเสียงมันก็มันก็หอนคมจะต้องนั่งสมาธิการตอมนะัง <c oughs> ไปไหนไม่ได้ เดี๋ยวอันนี้ดูมูลผู้ติดตามทางบ้านทั้งหมดเท่าไหร่ครับจับเรียนครับพระอาจารย์วันนี้มีผู้ติดตามทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติสามอยี่สิบสี่ท่านทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติสามอสาสิสามท่านทาง y o u t u ดรวี4ีสิบอท่านทางวิทยุออนไลน์8ท่าน ทางขับเฮาส์8ท่านผู้รับฟังหน้ากุฏิ134ท่านรวมทั้งหมด848ท่านครับถ้ามีคำถามลองถามดูเจ้าค่ะกลับในมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะมีคำถามจากชาวต่างชาติเจ้าค่ะจากคุณเมจิโซเฟียเจ้าค่ะ When they a s a t r a v e l i n g f i n a n c i a n a p r o a c h i n g the monmonic d e e p r e p l y can one ask people question if it has not been explicitly offer it first. Direction or for mean time location at a w a t มีคำสารภาษาไทยไหม mm -hmm. ยังไม่มีเลยเอาภาษาไทยก่อนเพราะภาษาจีนฟังไม่รู้เรื่อง จากยูทูบเจ้าค่ะกลับเยนถามหลวงพ่อสมาธิแบบรูปฌานอรูปฌานและอัปนาสมาธิอุปจารสมาธิปฐมฌานมีความหมายเหมือนหรือต่างอย่างไรครับคือคําว่าสมาธินี้แปลว่าความสงบนิ่งมีอยู่สามแบบด้วยกันเรียกว่าแบบแรกเรียกว่าคณิกะสมาธิแบบที่สองเรียกว่าอัปนาสมาธิ แบบที่สามเรียกว่าอุปจาระสมาธิอ น, นิจจสมาธินี้เป็นความสงบชั่วชั่วงูแลบลิ้นชั่วฟ้าแลบเก่ดสงบได้แป๊บเดียวแล้วก็ถอนออกมาส่วนอั ป, ปนาสมาธินี้เป็นความสงบที่นิ่งได้นานอับอุปจาระสมาธิเป็นความสงบที่ทําให้เกิด อภิลิศ ต, ต่างๆอิทิลิตต่างๆเช่นสามารถเห็นกายทิพเห็นนรกเห็นสวรรค์สำลักชาติได้อ่านวาลจิตของผู้อื่นได้เป็นต้นอันนี้เป็นอุปจารสมาธิส่วนฌานก็คือความสงบที่แบ่งเป็นชั้นๆเพราะอภปนาสมาธินี้จะมีเป็นฌานเป็นแบ่ง สงบมากสงบน้อย uh huh. ชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ไปถึงช 8, uh ั้นแปดหรือรูปมาชา 4, uh ั้นสี่ก็จะเป็นความสงบที่มากที่สุดชานนี้อยู่ในอัปปนาสมาธิยังไม่มีคำถามเข้ามาชใช่ไหมคนใครร้องหานภาษาอังกฤษยังมีอยู่ใช่ไหม ย, uh huh. ยังมีมราษามีเข้ามาใช่ไ้ย ภาษาไทยมีค่ะจากเฟซบุ๊กเจ้าค่ะใช้ใจบนการภาวนาเป็นอย่างไรเจ้าคะปกติไล่ความคิดในการภาวนามีคนแนะนำว่าหนูใช้สมองคิดมากเกินไป ปกติเป็นคนคิดซับซ้อนในการภาวนาถ้าไม่ใช้ความคิดมาใช้ใจแทนทำอย่างไรคะกลับขอพระคุณค่ะความคิดนี้ถ้าใจไม่สงบนี้จะคิดแบบฟุ้งซ่านคิดตามอำนาจของกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาความโลภความโกรธความหลงคิดแล้วก็จะทำให้เกิดความวุ่นวายใจเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา อยูไม่ใช่ไม่ควรใช้ความคิดแบบนี้ถ้าจะคิดนี้ต้องทําใจให้สงบให้นิ่งเป็นสมาธิก่อนให้มีสมาธิก่อนแล้วพอออกจากสมาธิมาถึงจะค่อยใช้ความคิดคิดไปในทางปัญญาได้คิดด้วยเหตุด้วยผล mm hmm. คิดตามหลักความเป็นจริง mm hmm. แต่ถ้ายังไม่มีความสงบนี้ใจจะไม่สามารถคิดไปในทางปัญญาได้จึงอย่าเพิ่งไปคิดถ้าเรายังไม่มีสมาธิ บืงต้นพยายามหยุดความคิดให้ได้ก่อนหยุดความคิดทําใจให้นิ่งให้มีสมาธิก่อนหลังจากออกจากสมาธิมาแล้วเราค่อยคิดไปทางปัญญาได้จากคุณทีคัทานาถ้าเรารู้แล้วว่าในจิตใจของเราได้ไปเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงและเราไม่ไปยึดติด ยึดถือแล้วเพราะรู้ว่าเป็นของปลอมแต่ได้รู้แล้วฝึกปล่อยไปเรื่อยๆแบบนี้มาถูกทางใหม่เจ้าค้าน้อมกับในความเมตตายอย่างสูงคือความคิดว่าเราเห็นมันนี่ยังไม่ใช่เป็นความจริงเป็นความคิดเฉยๆยังไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ของใจที่ไปยึดไปติดกับร่างกายกได้ ถ้าอยากจะรู้ว่าไม่ยึดไม่ติดกับร่างกายเป็นอย่างไรต้องรอดูว่าเวลามีโรคมะเร็งขึ้นมาถ้าดูว่าใจเราทุกข์กับมันหรือเปล่าถ้าเรายังทุกข์กับโรคมะเร็งอยู่ยังกลัวตายอยู่ก็แสดงว่าเรายังไม่ปล่อยยังไม่เห็นว่ามันเป็นอ น, นิจจังยังอยากให้มันอยู่กับเราต่อไปแต่ถ้าเรารู้ว่าจะตายเป็นโรคมะเร็งไม่รักษาไม่เดือดร้อนจะตายวันนี้ก็ได้ ออย่างนี้ถึงได้ว่ารู้จริงเห็นจริงปล่อยวางได้จริงๆต้องเจอเหตุการณ์ก่อนต้องเจอเหตุการณ์ที่ทําให้ใจทุกข์ก่อนแล้วดูซิว่าใจจะทุกข์กับมันหรือไม่ถ้าใจไม่ทุกข์ใจเฉยได้ก็แสดงว่าใจปล่อยวางได้ค่ะคำถามจากคูรับฟังธรรมานาคุติผมได้กระดาษแผ่นหนึ่งจากหลวงตาที่ผมใส่บาตรทุกวัน ในนั้นเขียนว่าช่างมันผมอยากจะรู้ความหมายครับรบกวนหลวงพ่ออธิบายให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสาธุจากน้องข้าวตูค่ะ อ, อ๋ออย่าไปยุ่งกับมันไงช่างมันก็อย่าไปยุ่งกับมันฝนตกตอนนี้ก็อย่าไปยุ่งกับฝนปล่อยมันตกไปอย่าไปอยากให้มันหยุดเพราะว่าเราไปสั่งมันไม่ได้ของทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นอ น, นัตตาไม่อยู่ในการควบคุมบังคับของเราได้ตลอดไป เพราะฉะนั้นถ้าเราสั่งมันไม่ได้ก็ชั่งมันดีกว่าห่อยมันไปคำถามจากย t ท b e ค่ะแกรบนรรมชาติการพระอาจารย์ขอโอกาสสอบถามครับ ปกติผมจะใช้ลมหายใจเข้าพุทธออกโทจะเห็นความคิดเข้ามาพอเราไปรู้ไปเห็นความคิดความคิดก็เริ่มหายไปอยากทราบปฏิบัติไปแบบนี้ถูกต้องไหมครับอ่านใหม่ิงค่ะ สำหรับนมาชักการพระอาจารย์ขอโอกาสสอบถามครับปกติผมจะใช้ลมหายใจเข้าพุทธออกโพจะเห็นความคิดเข้ามาพอเราไปรู้ไปเห็นความคิดความคิดก็เริ่มหายไปอยากทราบปฏิบัติไปแบบนี้ถูกต้องไหมครับต้องกลับมาหาพุทโธกับลมหายใจอย่าไปสนใจกับความคิด อยากคิดจะอยู่แล้วไม่อยู่ไม่เป็นไรเพราะเราอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมไปเจ้าค่ะจากเฟซบุ๊ o เจ้าค่ะถ้าชาตินี้เราแพ้ต่อกิเลสแต่พยายามทำทานถือศีลภาวนาได้ไม่ดีแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นพระโสดาบันแล้วไปรับผลบุญผลบาปแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกรอบเราต้องเริ่มศูนย์ใหม่ใหม่คะ แเราก็ต้องทําต่อไปเจ้าค่ะยังไม่มีคําถามเข้ามาเจ้าค่ะก็แล้วแต่ญาติโยมนะตอนนี้ญาติโยมจะกลับแล้วจะนั่งสมาธิตอบ ก, ก็ได้ตามอธยาศัยเพราะว่าตอนนี้ไม่มีคําถามที่จะตอบส่วนภาษาอังกฤษนี้ไว้เราการหน้าดีกว่าคาถามภาษาอังกฤษ ฟังไม่รู้เรื่องเสียงเสียงมันดังถามถามให้<ด>พรุ่งนี้ได้ไหมคะเมื่อไหร่ก็ได้ที่มันฝนไม่ตกจะผ่านเดี๋ยวโยมจะแจ้งเขาค่ะโอากาสน้ามาม า, มาถามก็ได้ถ้าใครมีร่มก็ใช้ร่มนะ อ, อันนี้ก็ข อ, อ, นน ข, อขอยุติการสนทนาทำการแสดงทมไว้เพียงเท่านี้ก่อน ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจิตจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอ